ศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปฏิโมกสังวรศีลนมาขอสรุปตรงนี้เลยดีกว่าปัจญสันนิสาศีนี้่จะแก่ปัญญานะศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดปฏิโมกสังว ร, ร, รงวศีลผนะู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะเจริญปฏิโมกสังวรศีลนั้นนะนะมีศรัทธาเป็นเหตุให้สําเร็จเพราะอะไรเพราะการบัญญัติศิกขาบททั้งหลายเนี่เกินวิสัยของไทยเกินวิสัยของภาษาวก k สของภาษาวก k งั้นคนที่จะบัญญัติศิกขาบทได้เนี่ต้องระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตัตลุตัศลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นถึงจะสามารถบรรยัติปฏิโมกข์สังวงสิ้นเป็นต้นไนดะ้ฉะนั้นเมื่อเมื่ออย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นระดับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพยุจจยานของพระเจ้านะบัญยัติสิกขาบททุกสิกขาบทพระองค์เห็นอะไรพระองค์นั้นมีพยานอย่างรู้ทั้งในอดีตนาคตใช่ไหมอย่างรู้ทั้งภายในภายนอกหยาบละเลอียดเร็วไกลใกล้ไกลไกลพยานของพระบ ร, รมศาสดานั้น่ทะลุทลวง ไปแสงโกดจักรวาลจักรวาลมีเท่าไหร่พรยานก็มีเท่านั้นพยานมีเท่าไร่จักรวาลก็มีเท่านั้นพยานและจักรวาล น, นั้นไม่ร่วงเกินกันและกันเป็นต้นอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าการบัญญัติศิกขาบทไม่ว่าจะเล็กๆใ น, น้อยหรือสิกขาบทใหญ่ทั้งหลายก็แล้วแต่สําเร็จ ด, ด้วยพระปัญญาของพระเจ้าฉะนั้นกรณีที่สมาทานศิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยไม่มีเศษเหลือเนี่ยไม่มี เขาบอกว่าโอ้ที่เราสมาทานสิกขาบทก็คือเราต้องการตั้งใจความจงใจเนะี่ยหรือมีความภูมิใจในการที่เราน้อมเอาสึกขาบทที่พระบรมศาสดาทรงบัญหยัดไว้เพราะพระ อ, องค์มองเห็นไผยของพวกเราถ้าหากเราไม่มเอาศึกขาเหล่านี้นะยอมรับน้บ๊ประชุมในกระแสขันได้นะพระองค์เห็นว่าใครจะเกิดกับสัตว์โลกต่อสาวกของท่าน ต่อบุคคลที่เป็นสัตว์โลกในอย่างแน่นอนพระ อ, องค์ก็ประชมสิกขาบทวางไว้ให้นั่นคือพระมหากรุณาธิคุณพระ อ, องค์บรรจัดสิขาบททั้งหลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกอย่างล้นพ้นตรงนี้ต้องตั้งสีททายให้ชัดถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจพระ อ, องค์มีอนาคตังสยานอย่างเห็นและอย่างเห็นด้วยว่าสิกขาบทที่พระ อ, องค์บัญญัติไว้เนี่ยจะมีคนรักษาอยู่เพียงห้าพันปีเท่านะั้น ทั้งนั้นนะถ้าว่าไม่มีสัตว์จะรักษาอยู่ได้พระองค์จะไม่บัญญตัติแสดงว่ายังมีโอกาสตอนนี้สองพานปีเรามีโอกาสใช่หในบรรดาบุคคลที่นับถือพุทธศาสนาหนึ่งในนั้นเรามีโอกาสเรามีโอกาสประชุมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมในขันได้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ประมาท ถ, ถ้าประมาทเราจะหมดโอกาสและถ้าตอนนี้เราเนี่ย ชีวิตมันจะแตกดับอยู่แล้วถ้าเราไม่สามารถคว้าสิกขาหรือสมาทานสิกขาตั้งใจเอาสิกขามาประชุมได้สักเล็กน้อยเนี่ยท่านเพบอกว่าเมื่อเราเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิสุขพระโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าทรงมีพระมหากรุณาต่อเราอย่างเหลือล้นพ้นประมาณอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องรีบเร่งจิตในการรักษาศนลเนี่ยเป็นจิตที่ควรเร่งรีบ กิจอื่นที่นอกจากการเดินสิกขาสามกิจเหล่านั้นท่านให้ทำช้าๆเพราะมันไม่ใช่เป็นกิจของชีวิตนะกิจที่เรียบเร่งจริงๆก็คือกิจในการสมาทานรักษาศีลท่านถึงบอกว่าเพราะการบัญญัติสิกขาบทนั้นที่ไม่ใช่เป็นวิสัยของภาษาวกในข้อนี้มีการห้ามการบัญญัติสิกขาบทเป็นตัวอย่างเพราะเหตุ น, นั้นอ่ะเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาคพุทเนี่ยนะ เมื่อตรึกพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเข้าใจในศีลแล้วก็พึงสมาทานเอาศิขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือเถอะไม่กระทำความอะไรแม้ในชีวิตพึงทาปาฏิโมกสังวรศีนี้ให้สำเร็จอย่างดีด้วยศรัทธาสมดังที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักมีความเคารพศีลตามรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ เหมือนจามารีรักษาคนหางเหมือนมารดารักษาบุตรที่รักเหมือนคนตามีอยู่ข้างเดียวนะมีตาที่รักษาตาอยู่ข้างเดียวฉะนั้นแม้ตรับอย่างนี้นะบอกว่ามหาสมุทรมีความดำรงอยู่เป็นธรรมดาไม่ไหลล้นไปฝั่งออกนอกฝั่งแม้ชั้นใดดูก่อนมหาราทะสาวกทั้งหลายของเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ร่วงข้ามสิกขาบทคือไม่ละเมิดเลย อย่างถ้าหากสาวกที่เป็นไปถ้ากลุ่มฆราวาสก็ไม่ล่วงละเมิดสี่ห้าเป็นอย่างต่ำที่เราบัญญัติไว้แล้วสําหรับสาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตคือไม่ต้องพึงราบไม่ต้องว่ามีราบเป็นที่สุดนะมีอวัยวะเป็นที่สุดมียอดเป็นที่สุดเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมท่านไม่อะไรในกระทั่งชีวิตแปลว่าอะไรเห็นกุศลศีลสําคัญกว่า พระกุศลศิลจะรักษาท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยยมแล้วก็รอดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ น, นี่ในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นใจในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าโจนก็มัดพระเถระด้วยเครือญานานให้นอนในดงที่ว่ามหาวัจนีในดงนั้นพระมหาเทะระก็เจริญวิปัสนาเจ็วันทั้งๆ ท, ที่นอนอยู่นั่นแหละ จะได้ปรารถนาเดินพิจารณาอะไรพิจารณาสีขนลุกมาพิจารณ์อย่างนี้นะหรือเหมือนดีว่ามีพระเถรเรูปหนึ่งท่านเดินไปในป่าที่ท่านเดินไปในป่าท่านอยู่ในป่าต่อมาท่านไม่ได้อาหารแล้ท่านก็ป่วยเลยก็ล้มหมดแรงแต่จนมะม่วงมะม่วงก็เลือนเต็มันหมดมะม่วงสุกท่านเห็นเป้าก็ท่านรู้เป็นสีแล้วท่านท่านจะไม่ร่วงละเมื่อศีรษะหมด เพราะของไม่ได้ประชียอย่างนั้นก็ยอมน้อยหมดแรงอุบาสกหนึงเดินมาเห็นเอ้าเป็นไรอะ่ะดูอ้าวทงใจหมดแรงก็เลยคั้นน้ำป น, นนะ้ำถวายกรอกท่านท่านมีแรงก็ถามอพระเทเรนี่มีสีพระพักก็เดินไม่ได้คพรอุบาสกก็ยกใส่คอใส่บาแล้วก็แบกเดินไป พระเทรซก็พิจารณาีออุบาสกนี้ไม่ใช่ยาิไม่รู้จักกันเลยที่เขาจะต้องลงทุนลงแรงมาแบกเราขนาดนี้เดินอย่างเด็ดเลยก็จะเอาเราไปรักษาไปดูแลพาเราไปให้ถึงที่เพื่ออะไรเนาะพิจารณาสีท่านครควปรปฏิโมทั้งวานสีทั้นทั้ง227ข้อไล่ทุกข้อตั้งแต่พระราชี 4, สีสังคาที่เศษ13มิลเย2นิสกียปาตีตี30ปาตตี ๕๒ปฏิเทศนีย์๔เศรษีว่าเจ็ดมาไล่ขึ้นไล่ไม่มีความบกพร่องเลยเอาวิปัิสนาความไม่เดือดร้อนใจเกิดปราโมดก็เกิดปีติก็เกิดปัสสทิคก็เกิดความสุขก็เกิดเราได้ดีแล้วเนาะเป็นรากของเราแล้วเนาะศีลของเราบริสุทธิ์เนาะเราได้เดินตาม ร, รอยของพระอรหันต์บูชาคุณของพระเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเช่นสภาวะโลดล่นเลยใช่ไหมสมาธิตัง้งเห็นไหมกรณีนี้แปลว่าอะไรเนี่ย กรณีเนี้ยเจรนาสินเจสิกสิงสังวรสินวนิติกามาสินเดินเดินไงออกจากกายทุจริตวจีชุลิมมโนทุจริตใช่ไหมออกบทเลยก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงเหล่านี้เลยก็แปลว่าอาวิติกามามันเกิดในลักษณะเนี้ยการไม่ก้าวล่วงท่านกล่าวยังไงเอามาสรุปในการไม่ก้าวล่วงตรงนี้ก่อนนะคําว่าไม่ก้าวล่วงเนี้ยกรณีที่ศินนี้นะเป็นที่ประชมมุมแห่งธรรม ศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรเป็นที่ประชุมแห่งการไม่ก้าวล่วงศีลเนี่ยนะประชุมในไหนประชุมลงในกุศลจิต <està S 1> เกิดในใจของพวกเราทั้งหลายที่รักษาศีลนั่นแหละกรณีที่ศีลที่เป็นประชุมแห่งธรรมเป็นศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรและเป็นการประชุมแห่งการไม่ก้าวล่วงที่เป็นอวิจชกธรรมเป็นที่ประชุมแห่งเจตนานเกิดในความเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นศีลเพราะอาต่าสำรวมและไม่ก้าวล่วงปานาทิบาเห็นไหม ไม่ก้าวล่วงอาทินนาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิชฌาจารย์ไม่ก้าวล่วงมุสาวาตไม่ก้าวล่วงปิสุนาวาจาพุรสวาจาสัมผัสปลาปะไม่ก้าวล่วงอภิชฌาโลกไม่ก้าวล่วงพยาบาทที่ความโกรธไม่ก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิคือความมินผิดนั้นจะชื่อว่าศีลเพราะถือว่าสารวมด้วยและชื่อว่าไม่ก้าวล่วงด้วยเข้าใจย่างเดี๋ยวนี่ยคําว่าไม่ก้าวล่วงแต่ว่ากุศลศีลมาประชุมพร้อมกัน ใช่ไหมเจตนาเจตสิกสังวรเนี่ยเอาอิทธิกรรมคือการไม่ก้าร่วงอะ่ะก็คือไม่ฆ่าไม่ลกักไม่เพืธธ่อผิดใจกรรมอะ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยๆได้จริงใจเป็นกุศลเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดเท็จใช่ไหมพอใจที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยใจนั้นก็ไปดูแลกายกรรมวจีกรรมไหมดูแลไม่ให้ไม่ให้ทําชั่วแล้วก็ไม่ให้พูดชั่วต้นเ้ล่านี้ใช่ไหมเอาท่านนั่งฟังพระธรรมอย่างนี้จิตใจหัวถูทอถอยอย่างนี้ชั่วก้าร่วงเนี่ย อย่างนี้ก้าวล่วงไปแล้วเนี่ยเอาสมมตินั่งๆอย่างนี้นะถ้าผีน้ำมิถะเกิดหรือความบบถูท้อถอชื่อว่าก้าวล่วงไหมเนี่ยไม่มีศีลจริงๆนีศิลไม่เกิดถ้าศีลไม่เกิดอย่างนี้ถ้าเราปล่อยอัตยาศัยเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเสียหายแล้วนี่เสียหายเลยอันนี้เป็นโทษทันทีแล้วไม่ต้องพูดเรื่องกามที่จะเดินกุศลชั้นสูงแล้วทีนี้ การไม่กล้าร่วงในรักไหนยชื่อเป็นสีเว่าะอาสํารวมด้วยชื่อว่าไม่ก้าร่วงด้วยการไม่ก้าร่วงอะไรไม่ก้าร่วงการมาฉันทะด้วยเมตคำว่าเห็นไหมไม่ก้าร่วงพยาบาทด้วยเมตตาหรือไม่พยาบาทไม่ก้าร่วงอารมกสัญญาด้วยด้วยโลกสัญญด้วยการกําหนดแสงสว่างไม่ก้าวร่วงอุทธิจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านไม่ก้าร่วงวิจิติช่าด้วยการกําหนดธรรม ไม่ก้าวล่วงอวิชชาด้วยญานะยุตัญญาหรือไม่ก้าล่วงอารติด้วยปรามมทเห็นไหมแล้วก็ลักษณะเนี้ยเห็นไหมกรณีในลักษณะอย่างเงี้กกยาการไม่ก้าล่วงอย่างนี้เขาเรียกว่าออกจากอะไรออกจากนิวรณ์แปลว่าไม่ใหกาม่ฉันทะเกิดไม่พยาบาทเกิดไม่ถห้ีน้ำนิทะเกิดไม่ให้วิจิปิชา อุทะจรเกิดไม่วิจิปิชาเกิดแม่้ความไม่ยินดีเกิดไม่ให้อวิชาเกิดใช่ไหมลักษณะเนี่ยปิดได้กันได้ป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เป็นสังวรด้วยเป็นอวิตรกรรมศีลเป็นต้นด้วยเข้าใจยังดูที่ศีนนะ่ะศีลละอะไรได้ละนิวรนไปนต้นได้แล้วมันนั่งนิวรนเกิดอย่างนี้สมมติศีนจะเกิดนะมศีนเกิดไหมนี่เข้าใจยัง นิวรณ์เกิดเนี่ยศีลไม่เกิดตามไปฉันท่านิวรเกิดพยาบาทเกิดนิมิทาเกิดอุทะจกเกิดวิจิกิชาเกิดตารติความไม่ยินดีเนี่ยนะอาวิชาเกิดนี่เข้าใจอย่างนั้นตัวศีจะไปประชุมกันในกุศลเพื่อจะป้องกันติดบาปเหล่านี้ท่านถึงใช้คำว่าไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงที่ประการต่อมาไม่อยู่แค่นั้นไง ไม่ใช่อยู่แค่นั้นก็คือว่ากรณีที่บอกว่าไม่กล้าร่วงนิว น, น์้วยปฐมฌานนี่ขึ้นปฐมฌานไปแล้วที่ตัวศีนเนี่ยไปหนานแน่นอยู่ในปฐมฌานเลยแล้วก็ไม่กล้าร่วงเอวิชาไม่กล้าร่วงกรณีที่บอกว่าวิไม่กล้าร่วงนิวร์กามาฉันทาพยาบามที่จะไม่ได้าอุเทจาวิจิจฉา ar. ไม่กล้าร่วงกนได้เลยเพราะได้ปฐมฌานกุศลศีนไปประชุมในปฐมฌานเลย แล้วก็ไม่ก้าล่วงวิตโตวิจา ร, ร์ด้วยทุติยาชานิที่ขึ้นทุติยาชาติศรรีลก็ไปประชุมอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็ไม่ก้าล่วงปีติด้วยตติยาชาตินะมะนุ่นไปประชุมในตติยชาตินุ่นรับปีติได้ด้วยไม่ก้าวล่วงสุขและทุกข์ด้วยจิตตุทิชานอนุนไปศรรีลไปประชุมนในจตุทิชาอนุน ไม่กล้าร่วงรูปะสัญญาปฏิฆาสัญญาณนะันตะสัญญาด้วยอากาสารัญญาญตนะนุนน่นด้วยประชุมในรูปะชาในอากาสารแล้วก็ไม่กล้าร่วงอากาสารัญญาญาณะด้วยวิญญาณัญญาเจริญเ่็ น, น, น ไ, ไหมก็เหลือละเลยเห็น ไ, ไหมพัฒนาไปจนถึงวิญญาณัญญาญตนะอากิ น, กนัญญาญตนะแล้วก็เนวสัญญาณ์สัญญาญตนะสมาบัตรสรุปแล้วก็คือสมาบัตแต่ทั้งหมดเป็นการไม่กล้าร่วง แต่ละชั้นแต่ละชั้นตามลําดับอันนี้เป็นสังวรเป็นตัวอวิจิตรมาไหยเป็นด้วยเอาเถอะเดี๋ยนี้ดูขึ้นไปแล้วทีนี้ประการต่อมาไม่อยู่แค่นั้นแล้วไม่กล้าร่วมนิจสัญญาด้วยอันนี้จามุปสนาอี๋ตัวกุศลศีลเนีนะ่ยต้องไปไประชุมกันนะถามว่าถ้าไปเห็นละอะไรเพื่อละความเห็นว่าเที่ยงไปพิจารณาเห็นด้วยปัญญาด้วยความเป็นของไม่เที่ยง ตอนนั้นตัวกุศลศีต้องไปเกื้อกูลไนหะเต็เอาวิฏิกรรมากเป็นต้นด้วยต้องไปเกื้อกูลตัววิปัสสนาไปเกื้อกูลสมาธินั่นแหละถามว่าทําไมท่านจะต้องเดินมาลักษณะอย่างนี้ถามว่าจิตที่เต็มไปด้วยกามาคุณทั้งหลายจิตที่มีนิวรณ์ทั้งหลายควบรุมในกระแสใจท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่อึน อ, นอาดมากไม่คู่ควรต่อการที่จะเจริญวิปัสสนาเลย นั้นจะพิจารณาอย่างนี้ก็เข้าใจเลยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วการไม่ก้าร่วงเนี่ยปกติอย่างเราเนี่ยมันก้าวล่วงนี่จะสัญญานี้ท่านไม่ก้าร่วงเราไปก้าร่วงเราไปเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงเราไปสัมผัสว่าเที่ยงเราไปสําผัสว่าสุขเราไปสําผัาสว่าเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าโดยสรุปก็คือท่านละโดยอนิจจานุปัสสนาเนี่ย เ, เป็นความไม่ก้าร่วงนะั่น แล้วก็โดยสุ ข, ขาสัญญาในทุกขานุปัสสนาที่เห็นว่าสําคัญว่าสุขหรือสาคัญว่า ต, วตัวตนด้วยอนัตตานุปัสสนานในนันที่ความเบื่อเพลินด้วยนิพิทานุปัสสนานะราคะคือความตำหนัดยินดีต่างๆเนะี้ท่านไม่กล้าร่วงราคะเพราะท่านมีวิราคานุปัสสนาสมูทยัยคือเกิดเพราะท่านไม่กล้าร่วงสมูทยัยเพราะท่านเข้าถึงนิโรธา น, นุปัสสนา อาธานะคือการยึดถือเพราะท่านไม่ยึดถือแล้วเพราะท่านได้ปฏิสขานุปัสนาท่านไม่ได้เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเพราะท่านได้ขยานุปัสนาใช่ไหมเพราะเห็นในความเสื่อมไปสิ้นไปอายุวน็คือว่าไม่ต้องกรณีท่านก็ได้ญญาวายานุปัสนาทุวาคือย่างยืนเป็นต้นด้วยปรินามานุปัสนาเห็นเห็นโดยความมิมิตรใยความงามเป็นต้นด้วยอนิมิตานุปัสนาปณีที่ตั้งอยู่ด้วยอภินิการนุปัสนา อภินิเวศก็คือการยึดถือแต่ถ้าท่านได้อะไรสุญญตานุปัสนาจนถึงเกี่ยวกับเป็นไปตามลําดับนู้นน่ะเป็นไปจนถึงอะไรจนถึงอปิติสังขารด้วยปฏิสังขารนุปัสนาไล่ไปตามลําดับในที่สุดจริงๆท่านก็ไม่กล้าร่วงกิเลสที่เกิดร่วมกันกับมิจฉาทิฏฐิด้วยโสดาปิมัติท่านไม่กล้าร่วงกิเลสหยาบๆด้วยสกาธาคามิมัติ ไม่กล้าล่วงกิเลทที่ละเอียดด้วยอนาคามิมัคกรณีที่ชื่อว่าศีลว่าตัวสำรวมและไม่ก้าล่วงกิเลสทั้งปวงด้วยอารหัตมัคมีเข้าใจยังต่อไปก็ไปเตินในเรื่องของสังวรยังไงรายละเอียดต้องศึกษาเนี่ยมาอาดึงตัวส่วนในเวลาที่จํากัดอย่างเนี้ยคือต้องการอยากให้เราเข้าใจว่าศีลไม่ใช่เรื่องเลข ถ้าไม่สามารถจะขับเคลื่อนตัวกุศลศีลให้เป็นไปตามลําดับตั้งแต่เบื้องต่ําเป็นไปตามลําดับจนถึงแกะนิวรณ์จนแกะจนออกจากอกุศลกรรมวุทธิกเข้าถึงกุศลกรมมวุทธสิกทำกุศลกรรมวุทธิกรรให้เกิดขึ้นในกรรมฐานให้แข็งแรงให้ยาวไกลแล้วก็ออกจากนิวรณ์แล้วก็ออกจากเกี่ยวกับเรื่องของพวกการมฐันท่พยาบา ท, ทีนะมีท่าอุตจากขุกุิจวิจิรตริชาปติและก็อวิชชา แล้วก็ต่อไปก็เพกก้าล่วงไม่ก้าล่วงนี่วอนด้วยการได้ปฐุมาชาใชไหมลักษณะนี้เป็นชื่อขงการไม่ก้าล่วงเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็แปลว่ามองมองกุศลศีลเรื่อเข้าใจเพิอ่อันนี้มีใครสงสัยตรงไหนบ้าสายองนรการคุยเนี่ยนนมันมันก็ประกอบไปด้วสยสมาธิตลอดแน่นอนแต่อย่างนั้นก็ไม่หมายถายนี้าอยงนั้นจะไปสายอื่นที่เก้าเก่าไป สายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นไปด้วยกันอย่างคำว่าเดินสิกขาสามเข้าใจยังประชุมศิกขาสามแปลว่าต้องครบทั้งสามสิกขาทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาไม่ใช่เดินสิกขาใดสิกขาหนึ่งนะพระท่านถึงเรียกว่าผูคา้ครองไตรสิกขาครองไตรสิกขาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ตรงนี้พอจะพอจะจับประเด็นได้ไงพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจเนาะนี่เกี่ยวในเรื่องตรงนี้ก็คือแท้ที่จริงเนี่ยในในรายละเอียดเนี่ยเยอะเยอะไม่เยอะในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างมากตรงเนี้เนี่ย ท่านในกรณีที่บอกว่าชื่อว่าศีลเพ่อทว่าสํารวมและไม่ก้าร่วมกิเลสทั้งปวงด้วยอรรถธรรมะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวศีลห้าเนี่ยคือการละปะาฏิบาติเป็นการงดเว้นนะเป็นศีลเป็นเจตนาศีลสังวรศีลการไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลศีลเห็นอย่างนั้นน่ะเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนเพื่อความปราโมชเพื่อปีติเพื่อปสัสสติเพื่อสัมนัตเพื่อการเสพโดยเอื้อเฟื้อโดยเพื่อความเจริญ เพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นบริขาระเพื่อเป็นบริวารเพื่อความบริบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความทายกําหนัดโดยส่วนเดียวแล้วก็เป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความระนับทิเลสเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อการตัดสรู้เป็นไปเพื่อปริยผาน บรรดาศีลเหล่านั้นน่ะสังวรปริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์ด้วยการสำรวมเนี่ยเป็นอธิศีนนะที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยการสำรวมย่อมไม่ถึงความพุ้งสร้างอวิเขปะปริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์คือความที่จิตไม่ฟุ้งสร้างเป็นอธิจิตผู้ปฏิบัติก็ย่อมเห็นสังวรบริสุทธิ์โดยชอบย่อมเห็นอวิเิปะคือความไม่พุ้งสร้างโดยชอบทัศนาบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะคือการเห็นเป็นอธิปัญญา ด้วยความสำรวมด้วยความไม่ฟุ้งซ่านและทัศนะนั่นแหละด้วยความสำรวมก็คือเป็นศีลด้วยความไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นสมาธิเป็นอธิจิตนั่นเองทัศนะก็โดยความเป็นปัญญาหรือที่ปัญญาการสำรวมเป็นอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นอธิจิตสิกขาความเห็นแจ้งเป็นอธิปัญญาสิกขานี่แหละ พโยข่าววจร์ทั้งหลายก็นึกถึงสิกขาสามเนี่ชื่อว่าย่อมศึกษานะเมื่อรู้เมื่อเห็นเพื่อพิเมื่อพิจารณาเมื่อที่ฐานจิตเมื่อน้อมไปได้ศรัทธาเพื่อประคองความเพียรเพื่อตั้งสติมั่นเมื่อตั้งจิตไว้เนี่นะก็รู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญว่าเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งอย่างนี้ย่อมศึกษาทุกอย่างนี่เรียกว่าศึกษา การศึกษาการไข้ควรการฝึกผลพยายามการทำประชุมการที่เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเดินสิขาพยายามนี่เป็นใบลักษณะอย่างนี้ก็ไล่ไปตามลำดับทีนี้ตรงเนี้ยเราก็ต้องเอาไปฟังเลยหรืแต่โอกาสเลยไหมถ้าไม่เอาไปฟังสักสิบเที่ยวสิบห้าเที่ยวนี่นะก็เดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมเดี๋ยวก็เดินไม่ได้อีก ทนี้ประเด็นต่อไปทีนี้ก็ในรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะอามาก็จะจะไม่จับประเด็นนั้นแล้วเวลาที่เหลือประมาณสักนันาทีว่าจะถามสักข้องไงถามใครดีจริงๆรนะ่ะสาวของพระพุทธเจ้าเวลาถูกถามปัญหาชื่นใจเพราะว่าการถามก็แสดงว่าต้องการที่จะเจริญในกุศลธรรมแล้วก็จะได้ช่วยกันทําความเข้าใจในประธรรมของพระพุทธเจ้าวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อการ เราปฏิบัติขัดเกลียวยังไหมเราจะได้ชำระความเห็นที่มันไม่ตรงให้ตรงอะไรเงี้ยเลยแต่การสนทนาหรือการถามก็บอกต้องมีผู้รู้ไม่ใช่ไม่รู้ต่อไปรู้ไปนั่งถามกันเรื่องท่ากับเท่ากับเถียงกันเลยก็เลยตั้งประเด็นในลักษณะนี้ประเด็นที่จะถามก็คือว่าสังวรที่จริงในสังวรเนี่ยมีหนะ้าเนาะมีปฏิโมกสังวรมีสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยาสังวร ที่ยังไม่อธิบายคือขันติสังวรนี่ก็จะถามมันมีประเด็นอยู่ว่าตัวขันติสังวรเนี่ยนะขันติสังวรเนี่ยนะหนึ่งจะมาบอกองค์ธรรมเอไว้คือไดแก อ, อัทโท ส, ส, สัตอัโทสัตเจตสิกทีนี้พอไปดูในเจตสิกศีนี่ยก็มีคําว่าอัพยาบาทนะก็เป็นเจตสิกสีนั่นก็อีก ก็เป็นเจตสิกสีนก็อีกไปอยู่ในเจตสิกสีนก็พอมาดูที่ขันติสังวนอีกก็เป็นนะเป็นอโทสะอีกงั้นยอมสมานก็ต้องตอบในฐานะที่ขาดบ่อยไม่อันนี้เป็นการลงโทษในภาษาพุทนะตอบเลยว่าทำไมตัดไว้สองที่อย่างนี้ และในเสียงสองประการนี้มีจุดต่างตรงไหนเสียสองประการนี้เนเอ่ะเลยตอบเเพราะว่าตอบมันจะเสียงมจะเข้าไปเลยนะแล้วก็จะได้ให้เขาฟังคันตีสังวรในขันตีสังวรไงในขันตีสังวรทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเดียวมาเปิดประเด็นครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วยกยายมาอาจจะบอกเออเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้มา ใช่ไหมมันก็เลยปิดมุไมไปเนี่ยมาก็สุดยอยเพิ่มเติมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตัวอาโทสะเป็นศีอย่างไงครั้งนั้นถามใครยังพอจําได้ไหมเอาใครตอบข้อนี้อามาถามบอกว่าอาโทสะอัพยาบาทคือความไม่โกรธเป็นเจดสิกสีเอามาถามใครถ้าถามแม่ชีเอามาถามบอกว่าจบาามมกันฑิตที่ตอบผิดใช่ไหมจริงๆเอาไว้ต้องการยึดทวนว่าจำยังจําได้กลัวหลับหนีไม่ได้เลย ก็ถามมว่าเป็นเจตสิกสีอย่างไรก็เลยตอบเป็นประเด็นว่าอโทสาความไม่โกรธนี่แหละเพราะความไม่โกรธนี่แหละความไม่โกรธความไม่พยาบาทความไม่ฟองร้ายเกิดขึ้นในใจเพราะเกิดขึ้นในใจเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวอโศกสาวนี่แหละเขาไปเห็นโทษของความโกรธทีนี้อโทกสาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยอโทสาวเป็นขันขันหนึ่งในบรรดาขันห้าเพราเป็นสังขารละขัน เจ้าโทสะนี่เกิดร่วมกันกเวตนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณเนี่ยทีนี้ถามว่าโทสะเจตสิกเนี่ยเขาเป็นตัวเจตสิกศีที่เป็นเจตสิกศีนั่นก็คือว่าถ้าโทสะมาอยู่ในฐานะวิเศษยิ่งกว่าเจตนาเป็นต้นหรือเจตสิกอื่นๆเป็นต้นที่เป็นศีหรือศีอื่นๆเป็นต้นโทสะเจตสิกนั้นเขามาทําจิตในฐานะไปใช้คําว่าเป็นบาหา เข ก, ก็ทํากิจในการที่จะไปเป็นศีลณะศีลณะก็คือไปเป็นสมาทานังในฐานะที่ทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่สร้างไปด้วยการฆ่าด้วยการลักด้วยการประพฤติผิดในการมด้วยการพูดเท็จส่อเสียดทาหยาบและเพ้อเจอ้อแล้วก็แม้กระทั่งความไม่โลภความไม่โกรธแม้กั็ปัญญาเป็นต้นด้วย ทีนี้ถ้าเราดูอย่างเนี้เะเป็นยังไงเป็นในส่วนของอุปนิสยปัจจัยก็ได้ใช่ไถ้าอย่างเนี้ยมองชัดพูดให้ที่เห็นชัดก่อนก็เห็นว่าความไม่โกรธเป็นปัจจัยเก่ยการไม่ฆ่าได้ความไม่โกรธเนี่ยเป็นปัจจัยการไม่รักใช่ไห ม, ไมเป็นอุปนิสยะเป็นปัจจัยเปนที่อาศัยที่มีกําลัง เป็นปัจจัยทําให้ไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการเป็นปัจจัยอุดหนุนใน ก, การทําให้ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดและคําหยาบและเพ้อเจอ้อเป็นปัจจัยการทําให้ไม่โลภไม่โกรธและมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัญญาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอโทศะที่อยู่ในฐานะเป็นอนัธิชาเนี่ยเป็นเจตสิกศีนเพราะเป็นเจตสิกศีนแล้วเขาไปจัดแจงอะไรไปจัดการอะไรไปเพื่อกูลอะไรเพื่อกูล นามธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนนั่นแหละให้เกิดร่วมกันกับตนนามธรรมที่เกิดร่วมนั้นที่มีอตโทสาวิเศษยิ่งนั่นแหละก็ไปจัดแจงกายกรรมวจีกรรมทำกายกรรมนั้นให้เป็นไปในส่วนของการไม่ข่าไม่รักไม่ผู้พฤติณณกรรมแล้วก็ไปจัดแจงวจีกรรมไม่พูดเท็จ ส, ส่อเสียดคำหยาวบแลอเพ่อเจอ้อใจในขณะนั้นก็ไม่โลภด้วยแล้วก็ไม่โกรธ ด, ด้วยแล้วก็มีปัญญาสัมมาสติเป็นต้นด้วย แล้วว่าตอนนั้นสุจรกลิดสามกำลังเดย น, นิีผลของศีระณะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งไว้ด้วยดีอันนี้ศัพท์คําว่าสมาทานะทีนี้อโทสะอีก น, นั่นแหละเป็นต้นนั่นแหละที่เกิดร่วมกับสีเหล่านั้ น, น, นด้วยไม่ใช่ไปเกิดแต่ตอนเนี้ยอโทสะในที่นี้ที่อยู่ในฐานะเป็นอนัพิชาเนี่ยเป็นเจตสิกสี่เนี่ยนอกจากจะเป็นการทํากายกรรมวจีกรรมเป็นต้นให้ตั้งไว้ด้วยดีทําให้ใจสะอาดกายวาใจาใจสะอาดเป็นต้นแล้วไม่พอ เขายังมีการพัฒนาเมื่อเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเขาเลยเป็นที่ระชมเนื้อคุณธรรมเบื้องสูงมีการไม่ก้าวล่วงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบางที่ได้กล่าวเห็นไหมโดยเจตสิกสีเนี่ยก็ไปเลยตัวเนี้ยต่อมาสมาธิปัญญาเป็นต้อนเหล่านี้ก็สามารถประชุมได้ในกระแสะขันนองท่านคนนั้นเพราะความที่สุดจริญสามเกิดนะั้นกรณีอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าอัคนะพิชาคือความไม่โกรธเป็นเจตสิกสีนี้อามาก็อธิบายตรวนี้ให้ยนหมาานือยฟับ ทีนี้อธโทส์ที่เป็นขันติขันติสังวรอ่าขันติสังวรมาอยู่ในกลุ่มของสังวรห้าใช่ไหมอยู่ในปฏติโมกสังวรได้แก่สัตธามใช่ไหมอยู่ในสติสังวรได้แก่สติปิดบา่าที่เป็นไตรกัฏวันทั้งหกแล้วก็เป็นญาณสังวรหรือปัญญาแล้วที่เป็น ขันติสังวรใช่ไหมที่เป็นไปกับความอดทน อ, อวิริยะสังวรที่เป็นไปกับความเพียรเนี่ยนะกับวิริยะนี้โยมสมัยก็ต้องตอบขันติสังวรคื อ, ค, อคือเขาคิดไงรู้ไหมโยนสมเขาคิดว่าโยมสมัยที่หายไปต้องไปซ่อมเดิมที่แนละ้วก <c oughs> ็ให้นะ <c oughs> คนพูดอย่างนั้นก็กล่าววต้องซ่มเดิมที่คือที่ผมพูดอยู่เมื่อกี้มาว่าก็อานตัวสารเนี่ย มันจะเข้าบบับก6ีได้ทั้งหมดยิ่งได้แม้แต่นังวอรนี่ก็เป็นกรโรดที่ขันตีนังวอร์นไอ้ตัวนี้มันเป็นโหระนะสาธาณะผมว่ามันแก่ได้ว่าไปไม่เป็นไรมีคนฟังออกกันเยอะเมือนุนข้างหลังอาไปตำมป็นเด น, นั่งนั่งคอยตรวจสอบตั้งหลายคยนเยอะแยะ ต้องการถามความต่างกันระหว่างเจตสิกสีกับสังวรสเีเพราะว่าขันติสังวรมาอยู่ในสังวรสีใช่ไหมส่วนความไม่โกรธตอนนั้นนะความไม่โกรธตอนนั้นเป็นเจตสิกสีอ้ม่ชีก็ช่วยกันได้ให้คำว่าสังวรสีมันเกิดที่พโนท ว, วารแต่ว่าเจตสิกสีที่เป็นค่ สัมมาวาจาสัมมากามตะสัมมาทิวะนี่ก็เกิดทางกายกับวาจาอันนี้มันต่างกันที่ว่ามันจบที่เกิดอโกชาเนี่ยมันเกิดที่ใจนะแล้วก็เมื่อี้เศรษฐีสิงสารตัวตัวนั้นเนี่ยเกิดที่กายกับวาจาจะเข้าเท้าเราหรือยังไง คือก็ อ, อย่างนี้ยยอมน้อต้องจับประเด็นตรงนี้ก่อนนะว่าเจตสิกศีนเจตสิกศีนมีหกตัวสัมมาวชฌาสัมมากามันตสัมมาชีวะอนัพพิชาความไม่โลภอัพยาบาทความไม่โกรธสมาทิฏฐิคือปัญญาเนี่ยอนม า, ยามัยไถามถามว่าอัพยาบาทคือความไม่โกรธเป็นเจตสิกศีนแล้วองค์ธรรมก็คืออาโทสาเจตสิกนั่นเองทีนี้พอมา ขันติสังวรความอดทนเนี่ยเอาองธรรมก็คืออัโทศาสต์เยสิก้าอีกก็เลยถามความต่างระหว่างสังวรศีลคือขันติสังวรกับเยสิกศีลที่เป็นตัวของอภิาบาตแม่กระถามความต่างเพราะองคธรรมมันเดียวกันใช่ไหมองคธรรมคืออโทศาสต์เยสิกความไม่กโกรธกับความอดทนเจยสิกศีลนั่นเก่าไว้หกสังวรเก่าไว้ห้า เม huh> ื่ออัตโนมัเกิดขึ้นเนี่ยตัวอัตโนมันี้ก็จะจะไปเคลื่อนหนุนอันนี้อันนี้ตอนนี้อธิบายคันติดทหะอธิบายคันตินะอันนี้ก็กจะเป็นเป็นสัน่ิเมื่ออากเกิดขึ้นเนี่ยออสภาพของมันเป็นธรรมชามันก็จะไปปถ้าอตโัิเกิดขึ้นความไม่เ็รมา่ห้าเป็นธร้มจมันดี้ สังวรในตั ว, ว, ว, วเองสังวรเชื่อมติดสังรวมอ๋อคิดเลยวิรัติกับการนับรวมเลยนะเนี่อ๋อตอบหลักเลยไม่เข้าใจคําถามใช่ไหมจริงๆเขาจะคําถามไม่มีอะไรเลยนะคำถามถา ม, ถามสีสองประเภทเจ้สิกสีกับสังวรสีถามเรื่องขันติสังวรจะถามเรื่องเจตสิกสีที่เป็นอนัพิชาคือวามไม่โกรธความไม่โกรธกับความอดทนเนี่ย องค์ธรรมคืออโทศาสตร์เจตสิกตัวเดียวกันเลยสภาวะตัวเดียวกันเลยแต่ทําไมท่านทรงสแสดงไว้สองที่ใช่ไหมก็เลยถามว่าต่างกันอย่างไรใช่นั้นใช่ไหมความต่างกันในยอธิบายได้ในยะองค์ธรรมไม่ต่างแต่ในยะอธิบายนั้นต้องการแยกเห็นในยะอธิบายของนักษาหรือของกลุ่มที่เราท่านทั้งหลายที่ฟังว่าทำกันวันนี้ยอธิบายให้ต่างใช่ไหม ให้เห็นความต่างกันออกมาให้เห็นเพราะตรงเนี้ยมันเป็นคือความจะได้เห็นความชัดเจนในการที่ท่านทรงขับเน้นว่าท่านทรงขับเน้นอะไรใช่ไหมถึงใช้คําว่าขันติสังวรกับใช้คําว่าเจตสิกสีนตัวเจตสิกสีน่ากล่าวไปแล้วเห็นชัดไปแล้วที่ตัวในด้านของขันติสังวรทังด้านขันติสังวรเนี่ยนะตัวสังวรตัวขันติสังวรเนี่ย มันหมายถึงสังวรเกี่ยวกีบเรื่องของการที่บอกว่าได้แก่อะไรได้แก่อธิวาสนาขันติคือความอดกลั้นไว้ได้อธิวาสนาขันติก็คือนามธรรมพวกเวทนาขังสัญญาทั้งฐานนิยามเนี่ยซึ่งมีอธโทสะเจตสิกมาเป็นประธานที่เป็นไปโดยประการเห็นความอดทนเป็นไปโดยการประการเห็นการอดทนกัน ในคําสอนที่บอกว่าอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความเจ็บใจแรงด่างกว่าไปเถอะอดการอดทนไม่ได้ชื่อว่าทธิวาสนาสันติอายุขยอยากันติเป็นศีลเนี่ยไงขันติเป็นศีลก็ดูในช่วงของขันติบรารมีส่วนหนึ่งดูในส่วนของด้านของศีลบรารมีส่วนหนึ่งน่มาจะยกตัว อ, อย่างว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยเกิดเป็นพญา น, นา พอเรากิดเป็นพญานาคเนี่ยท่านขึ้นมาบำเพ็ญบารมีรักษาโบสถศีลบนบกใช่ไหมอยู่บนกองปลวอกนั่นแหละแปลว่าตรงเนี้ยเวลาท่านมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยท่านต้องสละบรลังถ้าอยู่กับใกล้นางหน้าทั้งหลายเนี่ยศีลนั่นก็จะไม่บริสุทธิ์ท่านก็เลยหลีกเล้นมาในโลกมนุษย์ดีกว่าเพื่อต้องการมารักษาโบสถศีลมาถึงวันท้าแตดท่านสิบห้าท่านพอท่านขึ้นมาเบียดเสียแต่อยู่ต่อมาก็ มีกลุ่มมิจฉาทิถิได้เห็นเนาพวกหมอมูทั้งหลายก็จับใช่ไหมเพราะจับเด็กเสร็จก็ทรมานทรมานแทงใช่ไหมบางทีบางวกบางเจ้าเดินแทงแปดรูสิบหกรูก็เอาเชือกร้อยจมูกแทงลวร้อยเป็นจมูกด้วยนะเชือกร้อยเข้าไปปกติท่านมีลิ์เนี่ยท่านต้องอดทนน่ยไม่ให้ความโกรธมันพุ่พ่านขึ้นมา เพราะท่านเห็นว่าศีลเป็นที่รักของท่านโพธิญาณเป็นที่รักถ้าศีลของท่านไม่เต็มนั่นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างเราก็จะศีลเหล่านี้ไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็บรรลุไม่ได้ท่านก็ต้องคิดอย่างนี้ถึงจะเป็นขันติสังวรความอดทนคุ้นข้างแข็งแรงมากเป็นอธิวาสนะขันติแปลว่าไม่ใช่รักษาศีลแบบธรรมดาเจออุปสรรค หนาวขนาดไหนก็ทนได้ร้อนขนาดไหนก็ทนได้คนจะ ด, าด่าจะสาบจะแช่งยังไงก็ทนได้ขันติสังวรเป็นอย่างนี้นะรักศีลไม่กลัวให้กลัวศีลจะแตกกลัวศีลจะทําลายใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องศีน้ำมิทาใช่ไหมใช่ก็ขนาดโดนตีโดนทุบแม้โดนชมก็ไม่หลงไหลเลยกับความชมด้วยนะอธิวาสนะขันติเนี่ยใช่ไหมความอดทนเนี่ย นี่มันกันท่านอดทนท่านก็บอกว่าถ้าท่านจะถึงตามมองเนี่ยกับบุคคลที่มากระทาต่อท่านเนี่ยจะไม่เป็นจุนเลยนะแต่ท่านก็ไม่ทำเพราะท่านรักศีล น, นี่เป็นอธิวาสนะคันตีไหมเป็นสังวรศีลไหมเป็นขันติสังวรไหมนี่เป็นบารมีด้วยเห็นไหมเนี่ยพอขันติสังวรเพื่อโทสามมาเป็นประธานเน่ยนามมาทำเหล่านั้นก็อดทนแข็งแรงหมดเลยกายของท่านทําไปสิชีวิตของท่านก็ไม่เป็นไร นี่ทันตีสังวรเป็นอย่างนี้เนาะแข็งแรงมากดิมันประเด็นต่อมาก็คือว่าหมองูทั้งหลายไปแสดงใช่ั้ยสะเทิบจนนั้นเบีเสศตจเอาน้ำยาราดลดทำให้เขเลียวแรงเนะ่อนเขาบอกให้เป็นสีอะไรท่านกระทำสีต่งตางๆให้เห็นได้หมอหงูโ อ, โอ้ได้เรื่องแล้วเอาไปลากไป จัเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ต้องทําบอกว่าหมองูตลอดถึงพวกคนที่เล่นกลทั้งหลายเนี่ยปรารถนาจะให้เราเป็นสีอะไรเราก็ปรารถนาเราก็ไม่ขัดใจเขาแต่ใจไม่เคยน้มไปกับกนีแต่ความปรารถนาดีบอกว่าขอให้บคุคคลที่ทําร้ายเราเนี่ยมีทรัพย์มากมีลาภเยอะๆมีความสุขมีความเจริญอัเน <Yeah. S 1> ี้เห็นไหมเป็นไปกับเมตตางไหม เป็นคันติตสังวรด้วยใช่ไหมเพราะกืกูลศีลไม่แตกทาลายด้วยใช่ไหมนในลักษณะเนี้ยแล้วก็มาพิจารณานเนี้ยจริยาของรพระโพธิสัตว์ท่านทำอย่างเนี้ยฟังเรื่องนี้เลยจะทนไหวไหมถ้าจะไม่รลนะวาศีลเนี่ยไม่เป็นคัติตสังวรใช่ไหมเป็นศีลด้วยจะ อ, อยู่ที่ว่าน้อมมาแล้วใช่ไมไม่มีใชายไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดเพราะโพธิสัตว์ต้องประเภติดีทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าต้องการบรรลุอ่ะต้องรักษาสีนแบบไม่มีที่สถ้าอย่างนั้นหายทั้งนั้นเรื่องบรรลุน่าจะยังไกายอยู่เนาะน่าจะยังต้องไกลอยู่เด็กๆไว้ ก, ก่อนร่างกายสินเป็นไรเลยแต่สินแตกทาลายมีเสียหายนี่เข้าใจแล้วเนาะประเด็นอันนี้เข้าใจนะพอจะสรุปได้อะ่ะก็สรุปตรงนี้อีกนิดนึงก็คือว่า ตรงนี้ก็คือว่าเจตนาสีเจตสิกสีสังวรศีอวีติกรรมศีลที่เกี่ยวกันในเรื่องของเป็นสีระณะก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเดินอีกสักนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นของศีลก็คือเอกี่ยวกัเรื่องของศีระณะก็คือการทํากายกรรมวิ จ, จิกรรมไม่เกลื่อนกลดไม่กระจัดกระจายใช่ไหมในส่วนหนึ่งอันนี้เป็นในส่วนของศีระณะคาว่าสมาทานะ ส่วนคำว่าอุปาฏารานังก็แปลว่าในกรณีทรงไว้ทรงไว้ในที่นั้นก็คือก็จะรองรับกุศลธรรมเบื่องคือสติปัทาสมปะปทานาอินิบัตอินรีพระราโคชมาลีมารกต่างๆเนี่ยจะประชุมลงตัดสินต่างๆเป็นต้นได้ก็คือกุศลศีลที่แข็งแรงกันอย่างดีเป็นต้นก็จะเป็นฐานอิปาชนะรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงสรุปแล้วฝากให้คิดตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายเห็นความ ง, งามของกุศลศีลว่าศีลนี่เป็นบันไดจริงๆ นะเป็นบันไดทุกขั้นไหมเป็นบันไดทุกขั้นตั้งแต่เบื้องต้นยันอริยมรรคถ้าไม่มีกุศลศีลถ้ า, ารักษาศีลไม่เป็นดูแลศีลไม่เป็นแล้วเนี่ยการบรรลุกุศลธรรมเบื้องสูงก็เป็นไปไม่ได้เนีย่ยประชุมมรรคไม่ได้เ น, นี่ยทายินี้ยอมสมานก็เริ่มเข้าใจว่าศีลมีความสําคัญขอให้เข้าใจว่าถ้าหากว่าไม่สาถ้ายังพัฒนาตัวศีลไม่ไปประชุมอริยมรรคไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ต้องไปประชุมศีลในมร ให้ได้ถึงจะพ้นทุกข์และถ้าเดินกันไม่เข้าใจเดินอย่างไม่ค่อยรู้เรื่องราวก็เป็นความเสียหายเนาะเอาและก็สมควรเก่เวลาเดี๋ยวอุทิศตนส้วยกันจัดทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปามาจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทาไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เราใด ซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณมีมารดาดีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วเธอไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาอยู่ในกรรมเลือกทั้งสี่ มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบ ก, ก็ดีสัตวเราได้รู้ส่วนดุลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ส, วสวาธเตาร์นนะจง อ, น, น, อนุโมทนายเอเถิดส่วนสัตว์เราได้ยังไม่รู้ส่วนเองขอเทวดาทั้งหลาย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 ข้ามวัดท่านอาบูนกพบเรา